สำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เรามาทำความสงบ ก, กันก็ต้องให้สงบจริงๆความสงบเป็นยอดแห่งความสุขเป็นความสุขอันเป็นแก่นสาร ความสุขชั่วคราวเป็นความสุขไม่ยั่งยืนอย่าไปปราถนามันให้มุ่งหน้าแสวงหาความสุขอันเป็นแก่นสารมันถึงจะสมดังความมุ่งหมายของตนเพราะความมุ่งหมายของตนแต่ละคนนั้นต้องการให้มีความสุขสม่ำเสมอไป ไม่อยากให้มีทุกมาแทรกแซงเพราะฉะนั้นเมื่อความต้องการมีอย่างนั้นควรจะบำเพ็ญให้เป็นไปเพราะความสุขชั่วคราวเราได้รับมาแล้วนับชาตินับภพบไม่ทวน ให้ทวนทบทวนดูเบื้องหลังความเกิดมาสู่โลกอันเนี้ยชาติใดก็มาพบแต่ความสุขชั่วคราวแล้วมันก็มีความทุกมาลบล้างให้ความสุขอันนั้นหมดไปสิ้นไปอยู่อย่างนั้นแหละชาติใดก็ดี แม่เกิดมาในชาตินี้ก็เหมือนกันกระองพากันพิจารณาดูให้มันเห็นความสุขทั่วคราวที่เราได้รับอยู่นี่นะมันยั่งยืนหรือว่ามันเป็นยังไงมันมีความสุขมากกว่าความทุกข์หรือ หรือว่ามีความทุกข์มากกว่าความสุขอันนี้เป็นอาตีของแต่ละคนจะพึงพิจารณาตัวเองมันถึงจะรู้ได้ให้ผู้อื่นพิจารณาให้ไม่ได้ความแต่เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวมแล้วคงมีความทุกข์นั่นแหละมากกว่าความสุข เพราะอะไรจรึงว่าอย่างนั้นก็เพราะปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยมันก็มีทุกข์อยู่สองอย่างทุกข์ทางกายทางกายนี่ก็ต้องได้ประครบประงมอยู่ตลอดเวลาได้อาศัยแสวงหาอาหารมาหลเลี้ยง เอ้วถ้าร้อนมาก็อาบน้ำหนาวมาก็ห่มผ้านั่งเหนื่อยก็เดินเดินเหนื่อยก็ยืนเดินเหนื่อยก็ยืนหายเหนื่อยแล้วเอยืนนานไปก็เหนื่อยแล้วก็นอนอเจ็บไข้ได้ป่วยก็เข้าโรงพยาบาลกันลองคิดดูสิร่างกายอันนี้ ก้องประกอบประมมกันอยู่อย่างนี้มันยึงพอประทังอยู่ได้ทีนี้ทุกข์ใจทุกข์ใจเมื่อกิเลสอันใดยังมีอยู่ในใจเนี่ยกิเลสอันนั้นก็มารบ ก, กวนอยู่บ่อยๆทาให้ใจฟุ้งซ่านเรื่อนรอยทําให้ตัญหามันชักจูงใจเฮ้ ให้อยากได้ อ, อะไรต่ออะไรในโลกไม่มีสิ้นสุดนี่ความทุกข์ใจใจที่ไม่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงมันก็เป็นทุกข์วุ่นวายหาความสงบไม่ได้บุคคลในโลกอันนี้น่ะถ้าไม่เห็นทุกข์กายทุกข์ใจอย่างว่านี่ มันก็ไม่แสวงหาแนทางออกจากทุกข์ก็นิ่งนอนใจก็มีแต่เพลิดเพลินอยู่ในกรร ม, มคุณเมถุนสังโยคถือว่าเป็นความสุขสนุกสนานดีแต่ส่วนความทุกข์ไม่คำนึงถึงในความที่ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆไปไม่คำนึงถึง ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปไม่หยุดยัง้งถ้าผู้ใดมาพิจารณาอยู่บ่อยๆมันก็ย่อมเห็นความเปลี่ยนแปลงไปของสรรพสิ่งทั้งพวงที่เกิดมาในโลกอันนี้นะทั้งที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีมันก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนั้น ยิงอยู่พวกคนหนุ่มคนสาวก็จะสำคัญว่าร่างกายอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะกำลังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาว ร, าร่างกายมันกำลังเจริญขึ้นเต็มที่ของมันเลยไม่นึกว่าร่างกายอันนี้มีความเปลี่ยนแปลงอะไร ก็เห็นอยู่ไปก็มีความสุขสบายกินก็ได้นอนก็รับ<ม>เต้นสามสอบออกสามว่าก็ยังได้อยู่ร้องรำทำเพลงก็ได้อะไรอะไรก็ได้<ม>เลยสำคัญว่าตนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายง่ายก็เพราะมันติดความสุขโชคราวอย่างที่ว่ามานั่นแหละ นี่มันเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์อย่าไปหลงมันให้พากันตั้งสติสำรวมใจภาวนาลงไปกำหนดละอารมณ์ภายนอกอย่าไปหลงคิดปรุงแต่งยึดถือเอามันไว้เพราะสิ่งภายนอกมันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นโรคเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆหมดนี้ มันก็เป็นไปตามเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นมีเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแปรปวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเหมือน ก, นกันกับร่างกายนี่แหละเพรานต้องพิจารณาดูให้มันเห็นผู้ใดพิจารณาเห็นแล้วมันก็ไม่ปลาเถนาแล้ว เพราะว่าถึงได้มามันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนมันก็มีอันเป็นไปเช่นรถรางเนี่ยซื้อมาแล้วใช้ไปใช้มากดชำรุดทุดโทรมลงไม่นานกดทิ้งหาซื้อเอามาใหม่คนมีเงินเนี่ยคนไม่มีเงินก็เลยไม่ได้ใช้ รถยนต์นั้นแม่สิ่งอื่นก็เหมือนกันเนะี่ยมีความจำรุดสุดทรมไปเหมือนกันถ้าหากว่าทุกสิ่งมันเที่ยงมันยั่งยืนมันก็ไม่จำเป็นต้องไปดิ้นรนแสวงหาอะไรให้มากมายพอได้อันใดมาแล้วมันก็ไม่วิบัติไม่แปรปรวนไม่แตกดับอย่างนี้นะ คนเรามันก็สบายสิในร่างกายมาแล้วร่างกายนี้ก็ไม่รู้จักทุดโทรมแตกลับอย่างนี้แต่ได้อาศัยร่างกายนี้ตลอดไปเลยอย่างนี้นะมันก็ไม่จำเป็นต้องทำบุญทำทานปรารถนาไปพนิพานกันแหละเพราะว่าโลกอันนี้มันยั่งยืนแล้วนี่ และจะไปแ ส, สวงหาโรคอื่นใดที่ยั่งยืนอีกนี่แต่ปัญหาเป็นเช่นนั้นไม่ไม่มีอะไรยั่งยืนเลยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเพราะมันบังคับไม่ได้ นีความจริงก็มีอยู่อย่างนี้นะควรที่จะรู้เท่าตามเป็นจริงเราเกิดมาอาศัยมันแต่อย่าหลงมันพระพุทธเจ้าทรงพระประสงค์อย่างนี้อาศัยร่างกายสังขารอันนี้อยู่ก็ดีอาศัยโลกภายนอกเป้นแผ่นดินต้นไม้ใบหญ้า แม่น้ำลำคองพูดง่ายๆว่าอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่แหละอยู่จะรู้เท่ามันไม่ยึดถือเอามันมาเป็นของตนสักอย่างเดียวเป็นได้เพียงว่าอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นอาศัยเพื่อบำเพ็ญสมาธิจเจริญปัญญาให้ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่น ในของไม่เที่ยงไม่ยังยืนต่างๆรับตั้งเตืนร่างกายนี่แหละออกไปถ้าบุคคลได้มาทำใจให้เป็นสมาธิแล้วมาหัดเจริญปัญญาโดยน้อมพิจารณาร่างกายสังขารไอ้ที่ตนอาศัยอยู่นี่แหละอย่าไปพิจารณาอย่างอื่นเลย เพราะมันหลงร่างกายนี่แหละก่อนมันจึงหลงสิ่งอื่นนอกร่างกายออกไปถ้ามันรู้แจ้งร่างกายในตามเป็นจริงแล้วไม่ถือมัน่นมาเป็นของเราของเขาเรอกมันก็รู้แจ้งทะลุกูก่งไปในสมบัติของผู้อื่นหรือในรูปร่างของผู้อื่นเพราะมันเรามองพิจารณาดูด้วยปัญญาแล้ว เห็นว่ามีสภาพเหมือนกันหมดไม่แตกต่างอะไรกันแตกต่างแต่ลักษณะอาการเท่านั้นเองแต่ส่วน ส, สิ่งที่ปรุงแต่งรูปนามนี้ขึ้นมาอันเดียวกันได้แก่บุญและบาปวัตถุที่บุญบาปตกแต่งก็ได้แก่ธาตุสี่คือดินน้ำไฟลม จะเป็นร่างสัตว์ิริชานก็ดีร่างมนุษย์ก็ดีเหมือนกันเลยอันนี้ไม่แตกต่างกันนะอีกอันหนึ่งไม่แตกต่างกันก็นกนคือความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วแปรปรวนในถ้มกลางและแตกกลับในที่สุดออันนี้ก็ไม่แตกต่างกันเลยในโลกสันิบาตอันนี้น่ะผู้เรียนนักธรรมก็เรียนมาแล้วก็ทบทวนดู ให้มันเห็นในใจของตนจริงๆแล้วมันจะไม่วิ่งเต้นขนัขวายหาโรคเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้พรูฉะนั้นเรียกว่าถือสนันตุถีตามมีตามได้บุญตกแต่งให้อย่างไรก็จะบริพกใช่สอยอย่างนั้นถ้าพูดมาถึงตอนนี้ ถ้ามีใครถามว่าเอา้าถ้าคอยออาศัยบุญเก่าอยู่นั้นไปก็ไม่จําเป็นต้องไปทํางานหาเงินทองเข้าของไม่เฉลือบุญเก่านั้นมาอํานวยผลได้แล้วก็เป็นสุขสบายไปอย่างนี้ไม่ดีกว่าหนระือไปทํางานกาด ก, กรรมทําไมในนี้ขอเฉลยว่าการทําความดี ก็เพื่อรัความชั่วออกจากกิจใจเพราะคนเรานั้นมันสะสมทั้งกรรมดีกรรมชั่วติดตัวมาทีนี้บุคคลจะไปเอาคาถาอาคมอื่นได้มาเสกเป่าให้กิเลสปา่าประธรรมกรรมอันชั่วมันถอนตัวออกไปจากกิจใจนี่ไม่ได้เลยไม่มีเวทมนตร์คาถาใดในโลกไม่มีอํานาจบาดใจอะไรในโลกนี้จะมาขัดจัด กิเลสตัณหานี่ให้หมดไปสิ้นไปจา ก, กจิตใจนี้ได้ดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงพิจารณาเห็นแจ้งว่าการบาเพ็ญบุญกุศลนี่แหละเป็นเครื่องระ ง, งับอกุศลอันมันเกิดขึ้นในจิตใจนี้ซึ่งมันมีมาแต่ในอดีตบ้าง สะสมเอาในปัจจุบันนี้บ้างก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วว่าบุญบาปมันเกิดที่ใจถ้าใจน้อมไปทางบาปไปคิดเรื่องบาปบาปก็เกิดขึ้นถ้าน้อมจิตไปทางบุญกุศลจิตคิดไปทางบุญทางกุศลบุญกุศลก็เกิดขึ้นเมื่อจิตนี่พอใจในบุญในกุศล อย่างแรงกล้าแล้วก็ทอดทิ้งบาปอากุศลไม่คิดถึงมันไม่ปรุงแต่งให้มันเกิดขึ้นมันก็เกิดไม่ได้ให้เข้าใจอย่างนี้มันจะเกิดได้เพราะว่าใจของเรานี่ปรุงแต่งมันขึ้นมาดังนั้นการที่ได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราก็ต้องอาศัยใมัน สำหรับสร้างบุญสร้างกุศลให้มากขึ้นโดยลําดับเพื่อจะไม่ให้อกุศลมันตามมาทันไม่ให้อกุศลมาแทรกแซงในจิตใจความมุ่งหมายนะที่พระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัตราช่วทําดีเนี่ยนะมันมีความมุ่งหมายอย่างนี้ดังนั้นนะ่ะให้พึงพากันเข้าใจ เมื่อเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ต้องบำรุงร่างกายอันนี้ไปการบำรุงร่างกาย น, นี้ต้องอาศัยปัจจัยสี่แต่พระพุทธเจ้าสอนให้เรายินดีตามมีทำได้ไม่ให้ทะเยอทะยานเกินบุญเก่าเกินวัสนาจะเคยทำมาแต่ก่อนบุญวัสนาของตน อำนวยผลใช้อย่างไรเราก็บริโภคใช้ถอยไปอย่างนั้นแล้วเราก็สร้างบุญกุศลเพิ่มเติมต่อไปการสร้างบุญกุศลนี่บุคคลไม่ทำการทำงานมันทำไม่ได้เช่นอย่างว่าการให้ทานอย่างนี้นะถ้าเราไม่ไม่มีวัตถุทานนะจะเอาอะไรมาให้ทานได้เองคิดดู啊 ไอ้ที่เรามีให้ทานอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะทำงานนั่นเองนะแล้วแต่ผู้ใดมีความรู้อย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นผู้มีความรู้ทางการทำนาทาสวนกว็ทำนาทาสวนไปผู้มีความรู้ทางหัตถ ก, กรรมคือการช่า ง, งต่างตงก็ก็ทำไปนี่ยนะ จะตกลงว่าผู้ใดมีวิชาความรู้อะไรก็ทำหน้าที่ไปอย่างนั้นแต่ไ้ทำโดยทางสุจริตอย่าไปคิดสุดจริตนอกศีล น, นอกธรรมนอกกฎหมายบ้านเมืองออกไปทีเมื่อทําการงานได้เงินทองเข้าของมาโดยทางสุจริตแล้วเา้าก็มีโอกาสได้ทำบุญถวายทาน มีโอกาสได้วางมือเข้าวัดเข้าว่าไปได้ไม่เดือดร้อนในเบื้องหลังไอ้คนไม่มีจะกินน่ะมันจะมีแก่ใจเข้าวัดได้อย่างไรอ่ะมันนึกถึงแต่ปากแต่ท้องหากินไปวันวันอย่างนี้นะมันจะมีโอกาสได้ทำบุญทำทานอะไรเนาะถ้าวันไหนไม่ทำงานก็เงินก็หมด แล้วก็อดอาหารบ้านี้นั่นแน่ลองคิดดูคนเราอ่ะเมื่อฉลาดเกิดมาแล้วมามองเห็นว่าบุญเก่าที่ตนได้อาศัยมานี่มันจะไม่ยั่งยืนมันมีขอบเขตดังนั้นเวลาที่บุญยังให้ผลอยู่เนี่ยเราจะต้องรีบเร่ง บำเพ็ญกุศลคุณงามคามดีให้เต็มที่เลย mm. เมื่อไม่ได้ให้ทาน mm. ก็รักษาศีล mm. การรักษาศีล น, นี่พระพุทธเจ้าสอนให้รักษาเป็นนิจเลดีมากจะไม่มีกรรมมีเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไป ถ้าผู้ที่ไม่สามารถรักษาให้บริสุทธิ์ได้ก็อย่าไปทอดหอยอย่าไปทอดธุระให้พยายามเราจะพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ต่อไปเมื่อพยายามอย่างนี้ไ ป, ไปมันก็รักษาได้ถ้าทอดธุระเสียไม่พยายามสำรวมกายวาจาใจหุ่ตนอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมอย่างนี้นะ ศีลมันก็ไม่มีแล้ววันนี้นะของใจไม่ปักไล่อันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยว่าเกิดมาจากใจนะนี่เคยพูดมาแล้วมีใจเป็นประมุขมีใจเป็นประธานทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้เนะี่ยเมื่อเราได้อาศัยร่างกาย เ, เป็นมนุษย์นี่แล้วมันก็เหมาะสมแล้วนี่พระมนุษย์สอนไปว่าผู้มีใจอันสูง มีสติมีปัญญาฟังคำสอนของมุทิเจ้ารู้ได้รู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษได้ตามในจริงตลอดถึงอริยสัจจะทำทั้งสี่บุคคลสามารถรู้ได้เมื่อทำใจสงบลงไปแล้วนะไม่ใช่หมายเอาบรรลุนะให้รู้ซะก่อนรู้ว่านี่คือทุกข์อย่างนี้นะเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เท่า เราก็อ่านให้มันออกในใจไว้นี่คือเหตุที่เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาความทยานอยากตัณหานี่แบ่งออกเป็นสองประเภทตัณหาอยากทำความดีอยากคลนทุกข์คนภัยอีกประเภทหนึง่งอันนี้เรียกว่าตัณหาในทางดีตัณหาอยากโลภอยากโกรธอยากกลง อยากมัวเมาต่างๆไม่อยากถอนต้นอกอกจากกิเลสเหล่านี้อันนี้เราเรียกว่าจิตมันน้อมไปในทางบาปอาุศลนเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตยังพอใจอยู่ในโลภในโกรธในหลงแล้วมันก็ทำชั่วโดยกายวาจาใจอยู่อย่างนั้นแหละมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังที่เคยพูดมาบ่อยๆ แต่ก็ต้องพูดอีกกพมันหลายคนฟังบางคนก็ไม่ได้ยินที่แสดงจะเข้ากร อ, อย่างนี้คนส่วนมากก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องเหตุปัจจัยของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเบญนั้นมันถึงละบาปบาเพ็ญบุญกุศลให้เจริญ ขึ้นในตนไม่ได้เพราะไม่สนใจนี่ถ้าสนใจพิจารณาตามคาสอนของอุติเจา้าที่ได้ยินได้ฟังไปแล้วอย่างนี้พันนั่งสมาธิภาวนาเพ่งทิจารณาดูละมันก็เห็นไงเห็นบาปเห็นบุญอยู่ในใจนั่นเนมื่อเห็นบาปว่ามันเป็น สิ่งก่อให้เกิดทุกขนาประการอย่างนี้ก็เบื่อหน่ายในบาปเมื่อเห็นบุญว่าบุคคลผู้สั่งสมบุญไว้ในใจบุญนั้นยอมอานวยผลให้เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าก็เมื่อมันคิดเห็นได้อย่างนี้แล้วใครแล้วจะไปสะสมบาปไวล้ละมันเห็นอย่างนี้มันก็ไม่เอาแล้วแม้จะเกี่ยวกับอาชีพก็ตามไม่ก็ต้องหาอาชีพอื่น อาชีพอะไรมันเป็นไปเพื่อบาปกรรมแล้วไม่ทำไม่เอาจับอาชีพอื่นมันได้ขนแต่น้อยก็าท่างมันได้อาศัยผืนแผ่นดินอันนี้ไปทำมาหาเลี้ยงชีพไปทำบุญกุศลไปรักษาศิลให้บริสุทธิ์ไปไหวพระนั่งสมาธิภาวนาไป นี่ร่างของความเป็นมนุษย์เนี่ยเราทำได้นะเช่นอย่างสาัตว์เดรัจฉานมันทำไม่ได้เลยเพราะมันรูปร่างมันไม่อำนวยรูปร่างมันอำนวยแต่สมควรแต่มาเป็นผู้รับใช้มนุษย์เท่านั้นเองเช่นชางม้าวัวควายอย่างนี้นะมันเกิดมามันก็มาสำหรับรับใช้มนุษย์จริงๆเลย พะมนุษย์เอามันประมาเป็นสมบัติอยู่ในเรือนเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งเหมือนกันน่ยพญานานะต่างๆหมดนั้นแหะดังนั้นแหละขอให้พากันเข้าใจเหตุปัจจัยของชีวิตแต่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ยกกิจใจให้สูงไว้อย่างนี้นะนเดียวมันก็จะกลับไปสู่กาเนิดสเดสดฉานั่นอีกแล้ว ก็จะไปเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนั้นๆานให้พากันคิดให้ดีอย่าไปเข้าใจว่าตายไปแล้วจะไม่ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันมันอย่างอันเดียวว่าเข้าใจผิดไปรรก็สัตว์เดรัจฉานก็อยู่ในจํำพวกเอทุกขติภูมิอยู่ในจํำพวกสัตว์ สี่จพวกคือสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์อสุรกายสัตว์เดรัจฉานมันก็อยู่ในสี่จาพวกนี้เองจะไม่ให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วจำเป็นเราก็ต้องมาฝึ ก, กจิตใจนี่ให้มันหนักแน่นให้มันตั้งมั่นลงไปให้เกิดสติปัญญา เห็นแจ้งในทำของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดังที่นำมาชี้แจงให้ฟังนั่นนะให้มันเห็นทุกข้อสำคัญอยู่ตรงนี้นะผู้ใดไม่เห็นทุกข์ผู้นั้นก็ไม่อยากออกจากทุกข์ก็มัวเมาเคลิดเพลินไปเห็นแต่ความสุขทั่วขราวในปัจจุบัน ติดอยู่ในถึงความสุขทั่วคราวนั้นนั่นแหละท่านในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นผู้ประมาทคูณทุกผู้ใดสนใจแต่ความสุขทั่วคราวนะประมาทสิมันไม่ได้ทําบุญกุศลไม่ได้ชําระร้างตัวเองให้สะอาดอะไรมีแต่ศาสสมกิเลสบาปรธรรมกไวใ้ในใจทําใจให้มัวหมองไป อยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตอย่างนี้นะเมื่อใจมัวหมองแล้วทุกขติก็เป็นอันหวังได้ก็ให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าผู้ใดมาฝึกฝนจิตใจของตนให้เบิกบานผ่องใสแล้วเช่นนี้ก็ทุก ข, ขติก็เป็นอันหวังได้เนี่ยว่า ผู้จะไปสวรรค์พูง่ายว่าเมื่อมีจิตใจเบิกบานห่องใสตั้งมั่นอยู่ในคุณพร a t h a n a ไกลและตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลความดีที่ตนทำมาบุญกุศลเป็นของสะอาดคุณพระ t h a n ไกลก็เป็นของสะอาดเมื่อมาอยู่ที่ใจจึงได้ทำใจให้ข่องใสสะอาดนี่อาศัยบุญกุศลนี่แหละ เป็นเครื่องขจัดอกุศลออกไปจากขิดใจขอให้พากันเข้าใจการบาเพ็ญบุญกุศลก็มีอยู่สามทางอย่างนี้ไม่ใช่มีแต่ให้ทานวัตถุสิ่งของอย่างเดียวให้พึ่งพากันเข้าใจและตั้งอกตั้งใจบาเพ็ญไปให้เต็มความสามารถของตนของตนดังแสดงมา